ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังเอ3สแผ่นที่ห้าสิบหกโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3สแผ่นที่ห้าสิบหกให้คติธรรมหัวข้อว่าประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้น ได้ชื่อว่าลืกดีมงคนดีเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือลึกงามยามดีท่านในถือว่ากรรมคือการกระทาถ้าทำดีเวลาใดครูใดเดือนใดปีใดคู่นั้นแลขณะนั้นแลเวลานั้นแลเดือนปีนั้นแหลเป็นลึกดีมงคนดี เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโจมทุกหมู่เหล่าถ้าหากว่าเรายึดมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราอย่าไปยึดการลักกินเนเวลานั้นมนดำเรื่องนี้เลือกยามวันนั้นวันนี้ให้เราถือว่ากรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีแล้ว